วันนี้จะพูดสรุปในเรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์อยากจะสรุปให้มันแคบเข้าเพราะว่าในการปฏิบัติของเรานั้น เราจะต้องขึ้นมาให้ถึงวิปัสนาเราพูดถึงสมถะกันมามากแล้วเดี๋ยวก็จะไปติดสุขในเรื่องของสมาธิเสียจะต้องหัดเดินทางด้านปัญญาตามปกติผู้ที่ปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้น ขึ้นมาถึงขั้นวิปัสสนานั้นนะจะต้องอยู่กับรูปกับนามจะต้องอยู่กับรูปกับนามตามปกติในเรื่องของชั้นของบุคคลเนี่ยถ้าจะแบ่งให้ละเอียดเนี่ยท่านจะแบ่งออกเป็นสี่ชั้นท่านจะแบ่งออกเป็นสี่ชั้น 1ชั้นปุถุชน 2. ชั้นกัลยาณชน 3. ชั้นปรมัาทบุคคลและ4ี่อริยบุคคลท่านแบ่งออกเป็นสชั้นชั้นปุถุชนกัลยาณชนปรมาทบุคคลอริยบุคคล ปุถุชนก็คือคนที่ยังวุ่นอยู่กับในเรื่องของการทําบาปบ้างทําบุญบ้างยังมั่วอยู่แล้วเป็นพวกปุถุชนยังยุ่งอยู่กับในเรื่องของการทําบาปบ้างเดี๋ยวไปทําบุญบ้างสลับกันไปอย่างนี้ นั่นเป็นปุถุชนส่วนกัลยาณชนนั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่มีศีลมีธรรมนั่นเป็นกัลยาณชนเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูง ส่วนปรมัาทบุคคล น, นั้นน่ะหรือบางครั้งของทั้งั้งสงฆ์นี่เขาจะเรียกว่าปรมาถสง์คือบุคคลหรือสง์ที่อยู่กับรูปกับนามบุคคลหรือสง์ที่อยู่กับรูปกับนามพยายามเพียนเพ่งดูอยู่ในรูปกับนามกับขันห้า นั่นเป็นปรมาทบุคคลเป็นปรมาทบุคคลส่วนอริยบุคคลนั้นคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์ซึ่งก็มีอยู่สประเภทอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันนั่นเป็นอริยบุคคลเพราะนั้นตามปกติผู้ที่ปฏิบัติ ขึ้นมาถึงขั้นวิปัสสนานั้นจะอยู่กับรูปกับนามมองทุกอย่างให้เห็นเป็นรูปเป็นนามมองทุกอย่างหเห็นเป็นรูปเป็นนามแค่รูปแค่นามแล้วก็เฝ้าดูอยู่กับรูปกับนามนั้นรูปนามขันท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุที่เป็นทางนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวทุกจริงๆ ตัวทุกจริงๆคือตัวปัญจุปาทานขันตัวทุกจริงๆคือตัวปัญจุปาทานขันคือตัวขันห้าที่ยึดมัน่นตัวขันห้าที่ยึดมัน่นหรือนายนหนึ่งก็คือจิตดวงนี้ของเราน่ะหลงเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่น ในรูปในนามในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรานั่นนหะที่เรียกว่าปัญจุปาทานขันคำว่าปัญจุปาทานขันมาจากคำว่าปัญจขันบวกด้วยอุปาทานปัญจขันก็คือขันห้าอุปาทานก็คือความยึดมั่น โยมทั้งหลายคงจำได้อุปาทานมีอยู่4ใช่ไหมอุปาทานความยึดมั่นนี้มีอยู่4 1. กามุปาทานความยึดมั่นในเรื่องของกามกามะขุณทั้ง5เมื่อพูดถึงกามแล้วให้นึกถึงกามะขุณทั้ง5ก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เรียกว่ากาลพระพุทธเจ้าเรียกว่ากามนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพพะ ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกายนั่นท่านเรียก ว, ว่ากามกามุปาทานความยึดมัน่นความยึดมั่นในเรื่องของกามนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองคือทิฏฐปาทานทิฏฐปาทานความยึดมั่นในความเ ห, นนมเหนมม็นในความเห็นผิดความยึดมั่นในความเห็นผิด เมื่อตอนมีความเห็นอย่างไรก็เลยยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอาจจะผิดท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานประการที่สสีลับพัตาาพตุปาทานสีลับพระตุปาทานความยึดมั่นในคำนบในคำนีธรรมเนียมประเพณีที่บอกกล่าวกันต่อตอมาซึ่งมันอาจจะผิด หรือความไปยึดมั่นถือมั่นในรัฐทิต่างๆที่มันผิดไปนันเรียกว่าสีลัพระตุปาปาทานประการสุดท้ายก็คืออัตตวาทุปาทานความยึดมั่นในตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอัตตวาทุปาทานนี่เพราะฉะนั้นคำว่าปัญจุปาทานนั้นนะมาจากคำว่า ปันจขันบวกด้วยอุปาทานนี่ซึ่งปันจุปาทานขันหรือขันห้าที่ยึดมั่นนี่นะ่มันเกิดจากจิตอันที่สองจิตอันที่สองคืออะไรจิตสังขารหรือจิตอวิชาใช่ไหมมันเกิดจากจิตสังขารหรือจิตอวิชา เป็นปัญจปาทานขันตัวนี้แหละคือตัวทุกตัวนี้คือตัวทุกส่วนตัวดับทุกตัวไหนตัวดับทุกก็คือตัวปัญจะขันเฉยๆหรือเบญจะขันเฉยๆเป็นขันห้าที่สะอาดบริสุทธิ์เกิดจากจิตแท้ที่ปราศจากอาวิชชาแล้ว ที่ปราศจากอาวิชชาแล้วเป็นปัญชขันเฉยๆเป็นเบญเบนเนชะขันคือขันห้าที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นขันห้ามีอยู่สองอย่างนะโยมปุถุชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเป็นปันจุปาทานขันเพราะยังมีทุกข์อยู่ส่วนพระอรหันนั้นท่านเป็นมีปัญจขันเฉยๆหรือเบญจขันเฉยๆ ปันจะขันหรือเบนจะขันเฉยๆนั่นคือตัวดับทุกข์เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาพระสมฆ์มาผู้เจ้าเฝ้าอธิบายสอนเราให้เราพยายามปล่อยละวางขันห้าเสียให้เราปล่อยละวางขันห้าเสีย อย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ามันยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรทุกมันเกิดขึ้นทันทีตัวทุกมันเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นตัวทุกคือตัวความยึดมั่นนั่นเองตัวความยึดมั่นเนั้นเองถ้าละคลายความยึดมั่นได้ทุกมันก็ดับนี่ท่านชี้ให้เราเห็นชัดๆอย่างนี้เลยว่าตัวทุกคือตัวปัญจุปาทานขันขันห้าที่ยึดมั่น ตัวดับทุกข์คือตัวเบญจขันธ์หรือปัญจขันธ์เฉยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องที่พระองค์ท่านสอนให้เราปล่อยละวางขันห้านั้นพระองค์ท่านสอนไว้อย่างไรอย่างน้อยสประการนี้เป็นหลักที่ท่านสอนพยายามสอนอยู่ประการที่หนึ่งท่านก็คือให้ เราเข้าไปเห็นรูปนามขันห้าเป็นไตรลักษณ์เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเข้าไปเห็นว่ารูปนามขันห้านี้น่ะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยไปตลอดเวลา เป็นอนัตตาบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่มีใครเลยที่จะไปบังคับบัญชารูปนามขันธ์ห้าได้เพราะนั้นรูปนามขันธ์ห้าก็ไม่ได้เป็นของใครๆหรือรูปนามขันธ์ห้านั้นไม่มีเจ้าของว่างจากเจ้าของไม่ใช่ตัวตนของใครๆแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะสามารถเข้าไปเห็น รูปนามขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เฝ้าดูรูปนามขันห้าเกิดรูปนามขันท่าดับอย่างเดียวเห็นรูปนามขันห้าเกิดเห็นรูปนามขันห้าดับเมื่อใดเมื่อนั้นบอกได้เลยว่ารูปนามขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มต้นที่ว่าเมื่อเราเห็นรูปนามขันห้าเกิดรูปนามขันห้าดับ เราบอกได้เลยใช่ไหมว่ารูปนามกันห้าไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะมันเกิดมันดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันต้องมันต้องตั้งอยู่แล้วก่อนที่จะนั่นมันก็ดับไปเะนั้นเมื่อเราเห็นรูปนามกันห้าเกิดเห็นรูปนามันห้าดับเราบอกได้เลยว่ารูปนามันห้านี้เป็นอนิจจงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นรูปนามไม่เที่ยง เราบอกได้ไหมว่ารูปนามขันห้านี้เป็นทุกเพราะคาวอาทุกมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็ในเมื่อรูปนามมันไม่เที่ยงมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ด่าไปก็แปลว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นรูปนามขันห้าเป็นทุกเมื่อเราเห็นรูปนามขันห้าเป็นทุกเราบอกได้ไหมว่ารูปนามขันห้าเป็นอนัตตา บังคาับมัญชามันไม่ได้ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงมันไปไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเข้าไปเห็นรูปนามขันห้าเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นรูปนามขันห้าเกิดต้องเห็นรูปนามขันห้าดับก็แล้วรูปนามขันห้านี้เนี่ยเขาเกิดเขาดับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นรูปนามขันหน้าทางตารูปนามขันหน้าทางตาพอเกิดแล้วมันก็ดับรูปนามขันหน้าทางหูเกิดแล้วมันก็ดับรูปนามขันหน้าทางจมูกเกิดแล้วมันก็ดับรูปนามขันหน้าทางลิ้นเกิดแล้วมันก็ดับรูปนามขันหน้าทางกายเกิดแล้วมันก็ดับรูปนามขันหน้าทางใจมันเกิดแล้วก็ดับเพราะอะไร ก็เพราะว่าหน้าขณะดหนึ่งรูปนามขันธห้า zwe, มันเกิดได้อย่างเดียวมันจะเกิดซ้ําซ้อนกันไม่ได้ต้องให้รูปนามขันธ์หน้าที่เกิดก่อนดับซะก่อนรูปนามคันธห้าใหม่ถึงจะเกิดขึ้นได้รูปนามขันธห้าทางหูที่จะได้ยินได้ต้องรูปนามขันธหาท า, ทางตาดับไปก่อนรูปนามทางจมูกจะได้กลิ่นได้ต้องรูปนามขันธห้าทางหูหรือทางตาดับไปก่อน รูปนามทางกายมันจะเกิดขึ้นได้ต้องให้รูปนามทางอื่นๆทางตาทางหูทางจมูกมันดับไปก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่ารูปนามขันห้านี้มันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเข้าไปสังเกตใช่ไหมเราไม่เคยเข้าไปสังเกตหลวง ป, ปู่มั่นใช้คำว่ายังไงรูปนามขันห้านี้น่ะเขาแสดงโร่อยู่ทั้งวันแสดงการเกิดการดับอยู่ทั้งวัน เราไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปจับดูเท่านั้นเองเขาเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับก็แปลว่ารูปนามกันธห้าเขาแสดงความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนี่ไงที่หลวงปู่มัน่นท่านพูดท่านกล่าวว่าอย่างนี้เขาแสดงความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดทั้งวันแต่เราไม่เคยใช้สติ ไม่เคยใช้ปัญญาเข้าไปจับดูเพราะมันเป็นเหตุการณ์ปกติประจําวันจนชินไปซะแล้วจนกระทั่งไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้มันดับไปเมื่อไรใช่ไหมที่จริงมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> นี่ประการที่หนึ่งประการที่หนึ่ง บุคคลบางกลุ่มพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวเท่านั้นสำเร็จเป็นอรหันเลยมีอยู่ในสูตรไหนเอาใครจำได้สูตรไหนฮะไหนอนตัตตลกนาสูตรอยู่ในอนตัตตลกนาสูตร อ้าขอหนังสือลุงพ่อเล่มไหนเล่มหา้าไปอ่านก็นบ้หรือเปล่าเนี่ยเก็บเอาไว้เฉยๆนั่นแหละเอาไปแล้วเก็บไว้เฉยๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหะพระเจ้าตรัสไว้ในอนัตตรคณาสูตรพระเจ้าสอนในอนัตตรคณาสูตรเนี่ยโอสอนอย่างพิสดารด้วยสอนอย่างทันส ม, มัยด้วยครึ่งแรกอธิบาย ครึ่งหลังสอนแบบถามตอบไมายคมาต้องตอบว่าถูกถึงจะสอนต่อไปได้นั่นทันสมัยไหมอ้แนวการสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกท่านก็สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะเพราะถ้ามันเป็นตัวตนของเราแล้วไซท่านใช้คําว่าอย่างนั้นใช่ไหม ถ้ามันเป็นตัวตนของเราแล้วซ้ายเราต้องบังคับบัญชามันได้ว่ารูปนามขันหานี้อย่าเป็นอย่างนั้นนะจงเป็นอย่างนี้นะแต่ถามว่าเราไปบังคับบัญชาแบบนั้นมันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบังคับบัญชามันไม่ได้รูปนามขันห้าก็เป็นอนัตตานี่ครึ่งแรกพู้เจ้าจะสอนสอนทีระอย่างรูปขันอย่างหนึ่งเวทนาขันทีหนึ่งสัญญาขันทีหนึ่งสังขารขันทีหนึ่ง วิญญาณขันธ์ทีนึง่งบอกเลยว่า ร, รูปรูปขันธ์รูปนี่ก็เป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเรานี่พอทุกคนเข้าใจปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วต่อมาพระพุทธเจ้า ก, ก็มาถามอา้าวในเมื่อมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้น รูปนามขันห้านี้รูปนามขันห้านี้อ้าวเชิญท่านลองเชิญเิเชอมาพอดีสมบูรณ์มาพอดีท่านลองมาเอาหนังสือมาให้มั้งอืมออ้าวก็มีอยู่สามเร่มเออโอ้ขอบคุณขอบคุณท่านลองอ๋อ อ้าวหลังจากที่ท่านได้สอนแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วท่านก็ถามปัญจพคีทั้งห้าว่าก็ในเมื่อทั้งรูปทั้งนามทั้งขันห้านี้เนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนเนี่ยน่ะมันเป็นสุขเออ ม, มันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงในเมื่อมันเป็นอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจพกีทั้งห้าก็คิด ในเมื่อมันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชามันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็ไม่เที่ยงก็เลยตอบพรุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงพะยาคาอ้าวในเมื่อมันไม่เที่ยงในเมื่อรูปนามนี้มันไม่เที่ยงแล้วถามว่าแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะอืมาถามปัญจพคีทั้งห้าอีกปัญจพกีทั้งหก็ได้คิดเอ๊ะก็ในเมื่อมันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไหลเลื่อยอยู่ตลอดเวลาอ้าวถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์ละสิก็ตอบเป็นทุกข์พะเยาค่ะอ้าวในเมื่อรูปนามรูปนามขันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมควรไหมที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันหน้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ตอบไปเลยว่าไม่สมควรพยะค่ะเท่านั้นเองนะ เท่านั้ น, น, นเองนะปัญจวัคคีย์ทั้งหําเร็จเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์โดยเห็นรูปนามกันห้าเป็นไตร ล, ลักษณ์เท่านั้นเองผู้เจ้าสอนให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหเห็นรูปนามขันห้าเป็นไตร ล, ลักษณ์เท่านั้นเองปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นอรหันต์ทันทีเลยเป็นอรหันต์ทันทีเลยอม เพราะฉะนั้นนี่แหละก็นี่เป็นประการหนึ่งที่พระเจ้าสอนให้เราเข้าไปเห็นความเป็นจริงแท้ของรูปนามขันห้าแล้วเพื่อที่จะให้เราได้เกิดการเบื่อหน่ายเกิดการเบื่อหน่ายในรูปในนามในขันห้าเสียเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายมันก็ลากปล่อยละวางละคลายความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มันก็ดับลงตรงนั้นเองเท่านั้นเองออีกประการหนึ่ง โรงก็ยังสอนให้เราเข้าไปพิจารณารูปนามขันธห้าว่ามันเป็นของโสกปรกไม่สวยไม่งามสอนให้เราพิจารณาประรูปนามขันธห้านี้มันเป็นของโสกปรกไม่สวยไม่งามพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็โดยการเข้าไปพิจารณาในเรื่องของกายคตาสติก็คือ ให้มีสติไปตามกายอันไหนคือกายก็อาการ32ใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจพังผืดายปอดใส่เล็กใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่านั่นอาการ32ของกายให้เราเข้าไปพิจารณาดูซิ ว่ามันสะอาดมันสวยมันงามจริงไหมซึ่งตามปกติท่านในเราพิจารณาอยู่ทุกวันเลยกายคตาสติอยู่ในเล่มสองตรงท้ายเล่มสองอยังโขมเมกายโยเคยพิจารณาไหมเคยดูไหมเห็นไหมย <laughs> อยู่ในเล่มสองอายังอยังโขเมกายโยกายของเรานี้เนาม เหนหนั่นต้องพิจารณาอยู่พิจารยายกตาสติการพิจารณาอาการ32หรือกายากตาสตินี่น่ะท่านให้พิจารณาอย่างไรให้พิจารณาใน5ประเด็นด้วยกันพิจายาแต่ละอย่างเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยพิจารณาแต่ละอย่างเนี่ยใน5ประเด็นด้วยกันหนึ่ง ให้พิจารณารูปพันธสันฐานมันเป็นอย่างไรให้พิจารณารูปพันธสัญฐานมันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างว่าอย่างผมเนี่ยรูปพันธสัญฐานมันเป็นอย่างไรออผมนี่รูปพันธสัญฐานมันก็คือเส้นกลมๆเล็กๆยาวๆอ้าวเมื่อมันมีรูปพันธสัญฐานอย่างนี้แล้วก็ให้ถามตัวเองต่อไปว่าแล้วมันน่ารัก ตรงไหนผมนี่มันน่ารักตรงไหนบางทีเราก็ไปหลอกเขาว่าผมสวยใช่ไหมแต่พอเส้นผมตกลงในจานข้าวเส้นหนึ่งเป็นยังไง ร, รีบเอาออกเลยใช่ไหมถ้าตกลงในถ้วยน้าแกงถ้วยในขนมเอาออกใช่ไหมรังเกียจใช่ไหมอ้าวคนไหนว่าสวยไง ฟันโอ้ยฟันสวยใช่ไหมฟันสวยฟันก็สวยถ้าฟันของใครซี่หนึ่งตกลงไปในน้ำแกงพอตากขึ้นมาเอ๊ะนี่ฟันของใครรังเกียจใช่ไหมเห็นไหมเพะนั่นเนี่ยท่านมาให้เราพิจารณารูปพันสันฐานดูแล้วก็ถามตัวเองว่ามันน่ารักตรงไหน ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยประการที่หนึ่งท่านให้เราพิจารณารูปพรรณสันฐานประการที่สองท่านให้เราพิจารณาสีสันวันนะสีสันวันนะมันเป็นอย่างไรเส้นผมตอนแรกก็ ด, ดําดีเนี่ยตอนแรกก็อตอนหลังก็เอาสีแดงเลือเล่อๆสีขาวนั่นแล้วมันสวยงามตรงไหนเห็นไหม เส้นผมสีมันเป็นอย่างนี้สวยงามตรงไหนประการที่สามท่าในใด้ดูสภาวะประจาวันสภาวะประจำวันเป็นอย่างไรอย่างหนังอย่างผิวหนังอย่างเส้นผมถ้าเราไม่ได้ชาระสาะไม่ได้ล้างสักวันสองวันเป็นอย่างไรเริ่มมีกลิ่นแล้วใช่ไหมเห น, หน่า สกปรกแล้วใช่ไหมเห็นไหมประการที่สี่ท่านให้เราดูฐานที่ตั้งมันฐานที่ตั้งมันตั้งอยู่บนอะไรอย่างเส้นผมนี่มันตั้งอยู่บนหนังศีรษะแล้วก็ถามว่าใต้หนังศีรษะนั้นน่ะมันเป็นอะไรเป็นน้ําเลือดเป็นน้ําเหลืองเป็นน้ําหนองใช่ไหมแล้วมันสะอาดหรือมันโสกโปรก นี่ท่านไหนเราพิจารณาอย่างนี้แต่ละอาการแต่ละอาการประการสุดท้ายท่านเราพิจารณาหน้าที่ของมันทุกส่วนประกอบของร่างกายนี่ธรรมชาติเขาสร้างมันมาให้มีหน้าที่ทั้งนั้นใช่ไหมให้มีหน้าที่ทั้งนั้นไม่ได้มาเพื่อความสวยงามอะไรเลยนี่ นี่ก็คือการพิจารณากายกตาสติคืออาการกาย32กายกตาสติให้มีสติไปตามกายถ้าจะพูดเป็นาภาษาโบราณเขาก็บอกว่าท่องกายนครท่องกายนครกายนี่ถือว่าเป็นนครแห่งหนึ่งท่องเที่ยวไปดูชมนกชมไม้แต่แทนที่จะไปชมนกชมไม้ก็ชมอาการ32มนี่ ดูซิดูในห้าประเด็นนี้หนึ่งรูปพันธสัญญานสองสีสันวันณนะสามาสภาวะประจําวันสี่ฐานที่ตั้งของมันและห้าหน้าที่ของมันพระเจให้เราพิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อหเห็นความเป็นจริงแท้ของรูปในขันห้าว่ามันน่าที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มันน่าที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ เพราะนั้นการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันห้านี้นะ่ะพระสมมาผู้เจ้าให้เหตุผลไว้ประการหนึ่งก็คือจิตเนื่องจากว่าจิตของเรานี่ยนะมันเกิดวิ ป, ป ร, ราตใช่ไหมเกิดวิป ร, ราตไปสี่ประการเกิดวิปราตไปสประการวิปราตแปลว่าเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความเป็นจริงเขาอย่างหนึง่ง เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่โบราณเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวใช่ั้มความจริงเขาเป็นอย่างหนึ่งแต่จิตมันไปเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นคล้ายเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเห็นอย่างไรเห็นรูปนามขันห้าที่ไม่เที่ยงกลับเป็นเที่ยงเห็นไหมเห็นรูปนามขันห้าที่ไม่เที่ยงกลับเป็นเที่ยงสองเห็นรูปนามขันห้าที่เป็นทุกข์ กลับเป็นสุขเห็นรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นทุกข์กลับเป็นสุขสามเห็นรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นอนตตากลับเป็นอตตาและประการที่สี่เห็นรูปนามขันธ์ห้าที่ไม่สวยไม่งามกลับเป็นสวยเป็นงามพอมันเห็นข้ายเคลื่อนสี่ประการนี้แน่นอนจิตเข้าไปยึดมั่นทันทีใช่ไหมโอ้รูปนามขันธ์ห้านี้มันเที่ยง รูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นสุขรูปนามขันธ์ห้านี้มันเป็นอัตราตัวตนของเราและรูปนามขันธ์ห้านี้มันสวยมันงามจิตก็เข้าไปยึดทันทีใช่ไหมทันทีที่ยึดทุกเกิดขึ้นทันทีทันทีที่ยึดเป็นปัญจุปาทานขันธ์เลยใช่ไหมเป็นขันธ์ห้าที่ยึดมัน่นตัวนี้ตัวทุกเห็นไหมนี่พูะเจ้าสอนเราอย่างนี้ให้เราก็าไปพิจารณา รูปนามขันหานี้ถึงว่าให้อยู่กับรูปกบนามให้อยู่กับรูปกบนามพิจารณาอยู่อย่างนี้ประการที่สามท่านให้เราเข้าไปพิจารณารูปนามขันห้าให้เห็นเป็นของที่ไม่มีก่นสารสาระอะไรเลยให้เห็นเป็นของที่ไม่มีก่นสารสาระอะไรเลยโดยพระองค์ได้อุ ป, ปมา อุปมาไว้ให้เราพระองค์ท่านสอนแบบอุปมาอุปไมยไว้ให้เราเข้าไปพิจารณาอย่างประการที่หนึ่งให้เราพิจารณาท่านอุปมาไว้ว่าไอ้รูปขันเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำฟองสบู่มันเกิดขึ้นแล้วชั่วครู่หนึ่งมันก็แตกหายไปสลายไปใช่ไหมเพราะนั้นรูปขันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันยั่งยืนถาวร อ, อะไร มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมไม่ว่าจะเป็นรูปประคันทางตารูปประคันทางหูรูปประคันทางจมูกรูปประคันทางลิ้นรูปประคันทางกายรูปประคันทางใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนกับฟองน้ำอยู่ไม่ทนไม่นานเลยเวทนาขันการสเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งอุปมาเหมือนกับตอมน้าตอมน้าคือหยดหยดน้าฝน ที่ไหลาจากชาคาลงกระทบพื้นดินพอถึงพื้นดินแล้วก็แตกกระจายรันเวทนาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกกระจายไปไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างไรมันก็เป็นข้างมันอยู่อย่างนั้นไม่มีแกนสารสามระอะไรเลยเห็นไหมสัญญาขันจับแดก